พระธรรมเทศนาแผ่นที่58ลำดับที่19โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2557มีชื่อเรื่องว่าหาทางให้พ้นโลกวันนี้เป็นวันที่3 กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557เมื่อวานเป็นวันเลือกตั้งของรัฐบาลแต่ฟังฟังดูแล้วก็ตั้งแต่หลวงพ่อเกิดม า, อาพอจำความได้อายุปีนี้ก็69ปีที่การคัดเลือกผู้แทนรัศฎร คราวนี้รู้สึกว่าฟังฟังดูแล้วสุกลงหกพอสมควรไม่เอ ก, กฉันทําไมเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้ประเทศชาติบ้านเมืองแต่ก็คอยคอยดูพอเราอยู่ในเรือสะพาวลาเดียวกันคือคือประเทศชาติก็เหมือนกับเรือสะเพาอยู่ลําเดียวกัน จะโครงซ้ายโครงขวาเผอเผ อ, เอยังมีผู้จะเจาะท้องเรืออีกต่างหากเพราะคนในเรือมันมีหลายระดับแต่ทีอย่างไรเราก็ต้องประคับประคองเรือให้ไปถึงจุดหมายปลายทางให้อยู่ด้วยความร่มเย็นผาสุกเราจะตำหนิคนนั่นคนนี้ก็ไม่ได้ ถึงจะตำหนิใครก็เป็นคนในชาติคนชาติไทยเหมือนกันเราจะไปจับค่าทิ้งก็ไม่ใช่เรื่องเราจะไปยกย่องทุกคนว่าเป็นคนดีก็ไม่ใช่เรื่องเราจะว่าเป็นคนเลวทั้งชาติก็ไม่ใช่เรื่องจะทํำยังไงได้เราก็คงจะมีบุญวัดสนาบารมีได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยก็ต้องอยู่ด้วยกัน คอประคับประคองกันไปเรื่อยๆ อ, อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่แหละแต่ลุงพ่อเขาไม่สบายใจเหมือนกันนะในฐานะที่วัดเป็นพระป่าอยู่ในป่าในดงถ้าบ้านเมืองไม่พร้อมเพียงสมัครขีกันคนในเรือไม่พร้อมเพียงสมัครีกันก็หาความสงบเป็นสุขไม่ได้เพราะคนในเรือ ออกไปคนละทิศคนละทางสรุปแล้วนะแต่ถึงอย่างไรเราก็ให้รู้จักว่าอันนี้คือโลกบางยุคบางสมัยก่อนที่เราเกิดตามประวัติศาสตร์เห็นไหมกรุงศรีอยุธยาแตกกรุงรัตนโกสินจะหลอดถึงไม่ใช่แต่ประเทศไทยต่างประเทศก็เหมือนกันรบราข้าวฟันกันมากต่อมาก แต่เราไม่ไมาเห็นอีกไม่ว่าแต่มนุษย์พวกสัตว์ที่ไรฉานก็นเหมือนกันที่เขาฉายเป็นหนังให้พวกเราได้เห็นเกี่ยวกับสัพสัพสัตว์ในโลกการอยู่ด้วยกันบางทีหมาจริงจอกรดไล่กินแก้งกินกวางลบเปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันะการสัพสัตว์ในโลก เห็นแล้วก็ไม่สีวิไลไม่น่ามาเกิดจะทำยังไงจะทำยังไงจึงจะไม่มาเกิดในโลกเราก็คิดไม่ถึงเหมือนกันไม่รู้จะคิดยังไงถ้ามาเกิดในโลกมันก็ต้องเจอไม่พบไดก็ต้องชาติหนึ่งไม่ช่วงใดก็ต้องช่วงหนึ่งอย่างช่วงของหลวงพ่อปี2488นี่ยปหลวงพ่อมาเกิด ก่อช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่สงครามญี่ปุ่นเพิ่งหายไปหยกๆยกเหมือนกันตั้งแต่สองพส่รอสงครามอยู่สี่ปีสงครามาญี่ปุ่นกับเยอรมันตีพวกอังกฤษแถบแถบนี้สารวจนวุ่นวายไปหมดได้ยินแต่พกโยมพ่อยมแม่พก นั้นพูดให้ฟังก็น่ากลัวมันกันนั่นแหละนี่แหละอันนี้ก็คือยุคสงครามแต่ว่ามาถึงยุคนี้ก็อยู่ในความสงบพอสมควรแต่ถึงอย่างไงก็พวกเราก็ได้พบไดเจอคนในชาติมีความคิดเห็นแปลกแตกต่างกันคนหนึ่งก็คิดอย่างหนึ่งคนหนึ่งก็คิดอย่างหนึ่งนานาจิตตังนานาทัศนะ แต่ถึงยังไงต่างคนก็ต่างพยายามคิดว่าสร้างสรรค์สร้างสรรค์ให้ได้รับความสุขทวนหน้ากันแต่บางครั้งก็คนหนึ่งคิดไปอีกอย่างหนึ่งเพราะนั้นสรุปแล้วก็ในหลักธรรมคาสอนหรือประวัติศาสตร์ความเป็นมาของโลกถ้าเราได้ศึกษาดูแล้วมันเป็นมาอย่างนี้ ล้มลุกคลุกคลานล่ล ม, ลมลุ่มดอนดอนบางครั้งก็อนี่ยฆ่ากันตายเป็นเบอร์อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างถิ่นต่างแดนแต่ที่ยังไงก็จะให้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยทำไมจึงพูดอย่างนั้นเพราะพื้นแผ่นดินไทยเป็นพื้นแผ่นดินพระพุทธศาสนามีแต่แนะนำสั่งสอนคนให้รู้จักมีน้าใจมีเมตตาต่อกัน ใครทุกขใครจนยังไงก็ให้มีเมตตาต่อกันคนที่น้อยกว่าผู้ที่มีกําลังเหนือกว่าก็ต้องให้ความอนุเคราะห์ตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าท่านสอนอย่างนั้นถ้าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นในหลักของพุทธศาสนาท่านกล่ามีอะไรอัปริหารนิยธรรมทําเป็นไปเพื่อความเจริญโดยส่วนเดียวเรียกอปริหารนิยธรรมมีเจ็ดอย่าง ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมันประชุมกันเนืองนิดเมื่อประชุมพร้อมกันประชุมเมื่อเลิกประชุมพร้อมกันเลิกและพร้อมกันทากิจที่ที่ประชุมที่ตกลงกันไว้แล้วเคารพนับถือผู้ใหญ่ที่เป็นประธานของประเทศไม่ลุกอำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นยินดีในความสงบตั้งใจอยู่ว่าใคร มาสู่สำนักของเราหรือมาสู่บ้านของเราขอให้มาถ้ามาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขสรุปแล้วก็คือให้มีน้ำใจให้มีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ทางนี้ท้งนั้นคนเราก็มีกิเลสอย่างที่ว่าเหมือนกันทางรักพวกรักพ้องโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะ มันอยู่ในจิตใจของมนุษย์บางทีก็อารมณ์ความโลภขึ้นมาเห็นอะไรก็อยากจะได้ทั้งหมดในพื้นแผ่นดินไทยบางทนเห็นคนมาก็ไม่พอใจโกรธให้ผูกพยาบาทอาฆาตกันก็ไม่ใช่น้อยอีกเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะหลงในตัวเองเอโลภโกรธหลงตัวเองคิดว่าตัวเองจยไม่ตาย พอคิดว่าตัวเองยังไม่ตายละโลภหมดทุกอย่างในจักรวาลนะั่คิดว่าจะเอามาให้เป็นของตัวเองอันนั้นเป็นความโง่อีกส่วนหนึ่งเหมือนกันในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพอเห็นแล้วพุทธเจ้าท่านว่ า, วาขนาดกระดูกตัวเองก็ยังออกไปด้วยไม่ได้จะเป็นโลภอะไรมากมายนักหนาถ้าตายไปแล้วเห็นไหมใครเอากระดูกตัวเองไปได้เห็นแต่เผาไฟทิ้งทุกคนอายุก็ไม่ใช่จะยืนยาวเท่าไหร่ ทำไมไม่มองตัวเองบ้างนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้มองตัวเองนะอย่าโลภจนเกินไปทานโลภคนโลภแล้วมันเป็นทุกข์นี่แหละแต่ถึงยังไงก็ตามนะโลกกันนั้นคือโลกทั้งหลายจั ก, กรวาลทั้งหลายเป็นอย่างนั้นแต่ให้พวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาศึกษาในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอย่างพวกเราที่เป็นพระที่เป็นนักบวชเข้ามาบวช ก็ามาอยู่อย่างนี้แหละจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าคืออะไรให้พวกเราอ่านให้ออกให้ศึกษาพระพุทธเจ้าก่อนที่จะหนีออกจากเวียงวังหนีออกจากกรุงกระบิลพัดอายุของท่านยี่สบเก้าปีกำลังเป็นหนุ่มแน่นมีอ克拉 ม, มเหสีด้วยมีราชบุตรเพิ่งเกิดในวันนั้นด้วยพระบิดาก็มอบราชสมบัติ ให้คลองด้วยแปลว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินสมบูรณ์แบบศิทัตถะอายุยี่สิบเกปีแต่พระองค์ดูแล้วบรรพบุพ ร, บรุษของเราปู่ย่าตาทวดไปไหนหมดตายแล้วก็ทิ้งสมบัติลงมาให้พระบิดาต่อมาพระบิดาคงจะจากไปก็คงทิ้งมาให้เรา พวกเรามาถึงเราเราก็จะ ท, ทิ้งให้ราชบุตรราชสมบัติเป็นของใครไม่เป็นของใครมันถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆ อ, อันนี้ ค, คือความตายอย่างนั้นก็เห็นคนแก่คนเราเห็นสมัยเป็นน้อยเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวกว่ารุ่นเลิงบันเทิงสนุกสนานเฮฮาลืมตัวพอต่อมาเนี่ยเท่าแก่ชะลาผมขาวฟันหลุด ตาฝ้าฟางหลังค่อมขึ้นมาเนี่ยนะคนแก่คนจะต้องแก่จากนั้นก็เห็นคนเจ็บอีกชักดิ่นชักงอป่วยไข่าจากนั้นก็เห็นคนตายอีกนี่แหละพระพุทธเจ้าเห็นจากนั้นเห็นสมณะเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นสมณะเห็นสี่อย่างพระพุทธเจ้าก่อนที่จะหนีออกจากเวียงวัง พอเห็นคนแก่ก็อย่างที่ว่านะมันหาความสุขได้ที่ไหนคนแก่ดูแล้วแล้วคนเจ็บอีกสิเนี่ยักดิ่งชักงอจากนั้นก็เห็นคนตายหามไปป่าชาจากนั้นก็ไปเห็นสมณะนั่งอยู่ที่โคลนต้นไม้นั่งกัดสมาธิอยู่ตามลาพังคนเดียวนิ่งพระพุทธองค์มองเห็นแล้วอืมอันนี้คนแก่แล้วคนเจ็บคนตายสมณะถ้าเราอยู่ในบ้าน เราจะหาวิธีการว่าเราจะคิดยังไงที่จะหนีจากความแก่เจ็บตายเนี่เราคงคิดไม่ออกเพราะว่าภารกิจของเรามีมากไม่รู้ว่าบริหารจัดการประเทศชาติอย่างไรดูแลประเทศชาติอย่างไรปกป้องประเทศชาติอย่างไรภารกิจของเรามากถ้าเราออกมาอยู่ในป่าดงพงพยแบบสัมมณะท่านนี้นะที่ท่านนั่งกัดสามาทิตอยู่โครนต้นไม้นี่ เราคงจะมองหาช่องทางได้เพราะนั้นเราควรจะหนีออกจากเวียงวังฮะอันนี้แหละคือความคิดของสิทธัตถะที่ท่านหนีออกจากเวียงวังออกจากพระราชวงังกรุงกบิลพัทจากนั้นท่านก็ไม่ได้บอกใครเพราะท่านตั้งใจจริงท่านก็บอกแต่นายชนะคนเดียวจากนั้นก็ให้นายนายชนะเตรียมม้าขันท ก, กะคือมา้าทรงของพระองค์ พอถึงเที่ยงคืนเตรียมออกนะเตรียมม้านะพอถึงเที่ยงคืนศินธราก็ขึ้นหลังมาเลยนายชนะก็เกาะขึ้นหลังมาซ้อนท้ายเลยม้าคันธกาก็บึงเลยออกจากเวียงวังกรุงเ บ, บินลพัฒน์วิ่งที่ไหนต่อที่ไหนจนถึงแม่น้ําหนมา น, นาทีเขตแขวงกุงราชคือ ก็ห่างไกลพอสมควรจากนั้นพระองค์คือทรงประหนุษ์ฮะทรงบวชพูดง่ายพอไปถึงแล้วก่อนพระองค์ขบลงจากหลังมาไปนั่งอยู่ที่โขดหินพิจารณาพระองค์อย่างนั้นก็ได้เอาพระแสงดบับพระแสงดบับพอสว่างแล้วก็จับพระโมรีคือผมจับผมขึ้นมาพอผมเป็นมว้วน พระราชาสมัยก่อนตร ม, ม้วนผมผมยาวม้วนเป็นกระจุกจากนั้นพระองค์ก็จับม้วนผมขึ้นมาก็ใช้พระแสงขันคือดาบตัดเลยจับพระแสงขันดาบของพระองค์มือคงจะคมกิบตัดแต่ว่าเขาว่ามีเทวดาเอาถือขันมารองรับพระเกศาของพระสิทธถะ อย่างนั้นพระองค์เอาผ้ากาสาวะแต่บางคนเขาก็บอกว่ามีพรมได้นำบาทและจีวรเข้ามาถวายแต่บางคนถ้าไม่เชื่อในเทวดาก็พระพุทธเจ้าจะมีสิทธะจะไปบวชอยู่แล้วท่านเอาบริขารของท่านไปด้วยท่านจะเอาไปเอาอยัางไงพอยุคสมัยนั้นท่านก็เห็นแล้ว บริขารของสำ ม, มะนะคืออะไรท่านก็คงจะเตรียมพ้าไตรบ้างบริขารของท่านเอาไปด้วยจากนั้นท่านก็คลี่คลี่ออกมาก็มาหม่มจากนั้นท่านก็เอาเครื่องประดับมอบให้ในายชนะให้ไปหอ่อจากนั้นเอาชนะกลับบ้านกลับไปเวียงบงังไปบอกพระบิดานะเราบวชแล้วแต่ขณะที่ศีรษะ บวชกำลังจะเดินทางมาท่านบอกว่าเราไม่กลับเพียงวังอีกแล้วถึงยังไงเราก็ต้องตายข้างหน้าเราจะไม่กลับเพียงวังโดยเด็ดขาดถ้าไม่ได้ตัดรู้ไม่ได้บรรลุธรรมอย่างที่เราต้องการอย่างที่เราตั้งใจปรารถนาเราจะยอมตายดาบหน้านนี้คือความตั้งใจของศิทธะเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวจากนั้นพระ อ, องค์ก็ พอในชนะกลับไปแล้วพระ อ, องค์ก็อยู่ตามลําพังค่ะอยู่ตามลําพังพระองค์นึกในใจเลพราะสิธิ์ฐากลับไปแล้วอยู่องค์เดียวอยู่ในฝั่งแม่น้นําอโนมาพระ อ, องค์บอกโอ้ทาไมเราเป็นอิสระเหลือเกินฮเหมือนกับคนที่มีเป็นหนี้แล้วก็ใช้หนี้หมดเหมือนกับคนที่เป็นโรค แล้วก็หายจากโรคเหมือนกับรับเราอยู่ในกรงขังเหมือนกับ น, นกอยู่ในกรงขังหรืออยู่ในกรงขังแต่บัดนี้เราเป็นอิสระเราทำไมเป็นอิสระมีความสุขถึงขนาดนี้นี่แหละสิท ธ, ธะไม่เหมือนพวกเราท่านทั้งหลายนะพวกเราท่านทั้งหลายพอบังคนพอน้ออกมาจากบ้านจากเรือนมาจากตระกูลมาจาก ที่สะดวกสบายมาอยู่ในป่าโดงโพงไพ่ก็นั่งมานั่งเจา้านึกคิดหน้าเศร้าเงาหงอยบ้าเวอ้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้าคิดถึงบ้านฮะโฮมสิกนะบางคนนะไปแล้วโฮมสิกเหมือนกันนะคิดถึงบ้านแต่ศิทธรามเนี่ยกลับตรงกันข้ามท่านวอกโอ้เป็นอิสระเหลือเกินที่เรามาอยู่ในป่าอย่างนี้ พระ อ, องค์ไม่สวยพระกาหารทั้งเจ็ดวันอยู่ตามลําพังสวยความสุขที่ได้ออกจากมาจากเวียงวังเป็นอิสระนะเนี่ยความคิดของพระพุทธเจ้ากับความคิดของพวกเราท่านทั้งหลายนมันแปลกแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้เป็นอย่างพวกเราท่านทั้งหลา ย, ยท่านคิดอย่างนั้นผลในสุดถึงเจ็ดวันท่านก็ไปบินทาบาต เพราะสมัยนั้นมีนักพลดนักบวชมีมากไปบินบาทไปหาขอทานไปหาขอกินพูดง่ายๆเพราะไม่ได้ทำไร่ทำนาค้าขายแล้วก็ต้องอาศัยชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นจะได้ศีรษาท่านก็อุ้มบาดเข้าไปในกรุงราชคือพอไปแล้วก็คนก็ใส่บาทเขาก็ไม่ได้ใส่บาร ใ, ใส่หมกใส่ห่อใส่ถุงพลาสติก ใบไม้หออย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายไปปินทาบาทคลสมัยนั้นเขาง่ายๆเขาเห็นโอ้สมณะมาขออาหารไปลงไปใส่บาตรให้ท่านคนทั้งหลายก็ลงอมาผู้มีศรัทธาเขาก็เห็นจะผู้ทําบุญผลใจบุญก็มีจากนั้นเขาก็ตักข้าวใส่บาตรอาหารใส่บาตรเขาตักเลยละ่ะตะแกงอะไรตกแกงอะไรตักใส่บาตรเลย ศีรษะเห็นมองเห็นในบาดไม่รู้ว่าแกงอะไรตกแกงอะไรไม่รู้ว่หวานไม่รู้ข่ า, ขาวยงในบาดเอออันนี้พอพอสําหรับท้องของเราแล้วมั้งท่านก็เดินกลับมาหาที่พักนะฮพอกลับมาหาที่พักท่านก็มองบาดของท่านอีกโอ้โหเออเพราะท่านอยู่ในเวียงวังสําหรับกับข้าวของท่านวันละ100ร้อยรสวันละมากกว่า ช้อนเงินช้อนทองอีกต่างหากสำหรับกับข้าวปลาเี็ดบรรจงที่เขามาถวายพระ อ, องค์แต่บัดนี้อาหารรวมลงอยู่ในบาตครบไปหมดทุกอย่างทั้งหวานทั้งขาวทุกอย่างอยู่ในนั้นพระ อ, องค์มองมองในบาตแล้วคล้ายๆว่าจะฉันไม่ได้ละจะสวยไม่ได้ละเพราะอาหารไม่อย่างที่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยสวยไม่เคยกินมาก่อน กินไม่ลงมองดูในบาทแล้วต่จะทำยังไงได้ตัวเองเป็นนักบวชนีสิทธิ์ท่าท่านก็สอนท่านเองเสิทธิ์ท่ท่านสอนท่านเองนะท่านไม่ได้สอนคนอื่นสิทธิ์ท่สอนตัวเองสิทธิ่ตะกอนเธอเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระราชาต้องอยู่แบบราชาแต่บัดนี้เธอเป็นนักบวชเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นเมื่อเขาให้อาหารอย่างไร เขากินอย่างไรเขาให้อย่างไรเราต้องเราก็ต้องกินอย่างที่เขาให้เพราะนั้นเราจะไปเลือกอยากจะได้อาหารอย่างนี้อาหารอย่างนี้ตามสั่งที่เราต้องการจะได้อย่างไรเพราะเราเป็นนักบวชเพราะนั้นเราอยู่แบบนักบวชเราก็ต้องวางตัวแบบหนูเขเาให้ยังไงล้วก็ต้องทานอย่างนั้นเราจะไปเลือกกินได้อย่างไรจากนั้นพระองค์ก็คงจะหลับหูหลับตาทานอาหารคงจะไม่มอง คงจะไม่มองอาหารชั้นชั้นฉันไปเรื่อยอิม่มมาเพราะอิ่มเสร็จแล้วกันนะล้างบาดอะไรเสร็จเพราะท่านยังไม่มีอุปถากนะล่างบาดอะไรเสร็จเรียบร้อยท่านก็มานั่งคิดเราจะอยู่ยังไงเรามุ่งหวังอะไรท่านก็ศึกษาเลยค้นคว้าเลยท่านคิดยังไงดีก็ทําอย่างนั้นเพราที่สุดบางทีอดอาหารทานอาหารอิ่ไม่ทานอาหารเลย บางทีอา่านฐานให้ เ, เต็มอิม่มบางทีอดอาหารถึงสี่สิบเก้าวันเห็นไหมในพุทธประวัติอดพกยาอาหารถึงสี่ิเก้าวันไม่ทานอาหารนี่แหละอันนี้ก็คือการบาเพ็ญของสิทธะถึงหกปีลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดทรมานกายบ้างพอใ น, นสุดเออทรมานกายนะั้นไม่ใช่มันคงจะเป็นทรมานจิตมากกว่าจากนั้นพระองค์ก็ได้ไปศึกษากับดาบทสองท่าน อยู่ในละแวกนั้นไปศึกษาดาบทของอจิตธรรมเนี่ยเป็นผู้มุ่งมั่นตั้งใจเราแก่แล้วนะให้ท่านเป็นมาเป็น อ, อาจารย์พอเราจะตายแล้วให้ท่านเป็นอาจารย์สอนลูกศิษย์ลูกศิษย์ของท่านตั้งกฏมาห้าร้อยเหมือนกันดาวดบ ท, ทั้งสองสั้นราดาวดบทุตกะดาบ ท, อ, าาบทอยู่ในละแวกนั้นแต่จิตธรรมไม่ใช่ทางเพียง ส, สมาธิเท่านั้นไม่ใช่หนทาง แล้วพระองค์ก็ไ ม, ไม่รับไม่รับไม่รับเป็นอาจารย์แทนท่านดบด ท, ทั้งสองท่านขมาบําเพนพระองค์เองอีกต่างหากอลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดจนถึงวันจุดท้ายวันเดือนหกเพนหกปีพระองค์ได้นั่งขัดสมาธิในวันนั้นขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรง ดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนี่แหละพวกเราให้จำเอาไว้อันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจา้าจากนั้นพระทัยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งจึงเกิดญาณทัศนะปุเพเนวาสานุสติยานระลึกชาติขนหลังได้ นี่แหละหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนาเนี่ยยืนยันได้เราว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเออเหมือนกับเมื่อวานเนี่ยมีไหมไม่ใช่เกิดมาวันนี้วันเดียวนะเมื่อวา น, นมีนะอาทิตย์ก่อนเดือนก่อนปีก่อนชาติก่อนมีนะนี่แหละอันนี้ก็คือปุเพเนวาสนานุสติญาจูตูปปาตญ า, าการจุติคือการเกิดการตายของสรรพสัตว์แต่และคนเกิดมาไม่เหมือนกันคนทุกคนจนคนโ ง, ง่คนฉลาด คนร่ำคนรวยคนทุกคนจนเกิดมาในพื้นแผ่นดินเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันทำไมเพราะกรรมจำแรกให้มาเกิดีพนะระองค์งรู้เดี๋ยวจุตูปะปะตาตยานนะนี่ยแหละสรุปแล้วก็คืออะไรมาเกิดอะไรคือรับผลของกรรมท่านก็นมาพิจารณาดูว่าเมื่อจิตใจรวมสงบลงไปแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนะี่ยมีสองมีสองอย่างคือรูปประธรรมและนามธรรมแต่ร่างกายหรือรูปประธรรม คือจิตใจนั่นคือนามธรรมอาศัยกันอยู่เหมือนกับรถกับคนขับรถที่หลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังแต่พระพุทธเจ้าให้ความสําคัญคนขับรถมากกว่ารถรถนี่ยคือร่างกายคนขับรถนี่นคือนามธรรมคือจิตใจตัวนามธรรมนี่แห ล, ละจะไปเกิดในภพภูมิต่างๆเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราให้ศึกษาให้ดีในจุดนี้จากนั้นก็ อยากมาถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นของเราทนะึงไหท่านบอกว่ากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกธรรมดาเนี่ยมันหลุดได้ง่ายมันหลงได้ง่ายมันลืมได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายให้บริกรรมพุทโธนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทให้มีพุทโธสาทับด้วยอันนี้ก็คือกรรมฐานหลวงปู่มั่นที่ท่านสอนจิตญาณุสิทธิ์ของท่านแต่หลวงพ่อเองหลวงพ่อบอกแนะนำไม่อีกว่าให้พวกเราทดลองนับดูนะ ถ้มันยังเผยอยู่ให้นับดูเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าเราเผอมันเผอเวลาไหนมันเผยยังไงให้พวกเรานับหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถึงร้อยหายใจเข้านับหนึ่งเป็นเลขขี้หายใจออกเป็นเลขคู่ขี้คู่ขี้คู่ขี้คู่ไปถึงร้อยถ้าไม่เผอถึงร้อยแสดงว่าจิติของเราดีนะแต่ถ้าว่ามัน นับไปถึงสิบมันหลุดไปแล้วสแสดงว่าสติของเราเนี่ยอไม่น่าไว้ใจลนะนับแต่เลก็เผลอเอาเผลอเอาลงเอาเอาบางทีเพอเพลหายใจเข้าปิดคู่หายใจออกเป็นขี้เอคู่ขี้คู่ขี้ทั้งที่ไปเจอเป็นขี้คู่ขี้คู่สลับไปมันคู่ขี้ทีอถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราไม่น่าไว้ใจในตัวของเราต้องพยายามตั้งต้งตนใหม่ให้แข้มแข็ง และวิธีการวิธีการฝึกตนเองให้ภาวนาแล้เวลาขาก้าวเดินของมันขาขวาพุทธขาซ้ายโถพุทโถพุทโถพุทโถพอก้าวไปแล้วเผยเข้าผลี่สุดขาซ้ายพุทธขาขวาโถเนี่ยทั้งที่ทั้งที่ขาขวาพุทธขาซ้ายโถพอเดินไปเดินไปมันหลงสติขาซ้ายขาซ้ายพุทธขาขวาโถ เออมันจะสลับกันเราต้องมีสตินี่แหละเวลาการที่มาฝึกใหม่เราต้องพยายามนั่งให้นานเราอาจจะตั้งนาฬิกาดูก็ได้เอาเถอะข้าวไปเจ้าจะพยายามให้อยู่กับพุทธโธในวันนี้หนึ่งชั่วโมงถ้าเป็นที่หนึ่งชั่วโมงเราจะไม่ลุกเออแล้วันนี้หรือว่กากลางคืนนี้เอาเเอาสักสามชั่วโมงถ้าไม่ดึกสาชั่วโมงเราจะไม่ลุก เอ่ยอย่างที่พระพุทธเจ้าว่าถ้าเราไม่ได้ตัดรู้เป็นพระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณเราจะไม่ลุกจากอาสนะนี้เนื้อหนังมังสามก็จะเหงื่อแห้งไปขนาดไหนแต่ข้าพเจ้าเราจะไม่ลุกจากอาสนะนี่ก็คือพระพุทธเจ้าแต่องค์หลุงตาแทมโอถ้าไม่สว่างเราจะไม่ลุกจากอาสนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะแต่พวกเราไม่ถึงขนาดนั้นก็นั่งสักสองสามชั่วโมงทดลองดูทีมันจะปวดขนาดไหน ให้มันปวดสิมันจะหลุดออกให้มันหลุดดูสิเป็นยังไงนี่แหละอันนี้ก็คือถ้าว่าเรามีความพยายามมีความตั้งมั่นมีความตั้งใจจริงนะนั่นแหละจิตใจของเราจะรวมสงบพอรวมสงบได้แล้วสินะเออนเป็นพื้นฐานเพราะฉนั้นเราบวชมาทั้งทีถ้าว่าจิตใจยังไม่สงบยังไม่ได้นะแปลว่าเรายังไม่รู้รสของพระธรรมถ้าว่าพวกเรานั่ง จิตใจสงบรวมลงเป็นหนึ่งได้แล้วนั่นละ่ะเราจะรู้รถของพระธรรมโอ้พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านรู้ได้ยังไงท่านจึงมาสอนพวกเราให้ได้รับมรรคผลอย่างนี้นี่แหละขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนตนะั้งใจภาวนาตั้งใจปฏิบัติเอาจริงเอาจังเวลาใหม่ๆนะตั้งนาฬิกาถ้าใหม่งั้นมันทะเลถลยัย ถ้าไม่ไม่ตั้งนาฬิกาบังคับตัวเองนะบางทีนั่งเพอเผอโอ้เรานั่งนานแล้วะมันเท่าไหร่มันสองสามชั่วโมงมั่งที่ไหนได้เพิ่งสามสิบนาทีพย อ, อะไรพ้นาฬิกาเดินช้ามา ก, กว่างั้นเถอะเวลาเราประกอบคุณงามความดีเนี่ยนะถ้าเราไปนั่งคุยกันบางนั่งไฮโลบงังนั่งเล่นไพ่บังแป๊บเดียวเท่านั้นนะ นาฬิกามันเดินเร็วมากอย่างั้นแหละแต่พอเรานั่งประกอบคุณงามความดีนันมันเดินช้ามากทั้งที่เรานั่งเป็นคิดว่า3ชั่วโมงคงได้เลยมั้งเหลือนาฬิกาเพียง30นาทีเออมันเป็นลักษณะอย่างนั้นนะให้สังเกตนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่นะเอาต่อในไปรับพรอ น, นโมตนาให้พร